สิกขาบทที่หภิกษุนีสงสนานด้วยของหอมและเครื่องย้อมผิวต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังสงสนานต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อสงสนานแล้วต้องอาบัตปาจิตตี